วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25สากันยายนพุทธศักราชสอหาด2565วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปไม่มีการหยุดยัง้งและการเวลาก็จากตุลินคินส ร, รพสัต์ส ร, รพสิ่งทั้งหลายตามไปด้วย สิ่งต่างๆที่มีปรากฏอยู่บนโลกนี้ไม่ช้าก็าเร็วก็จะต้องถูกการเวลากลืนกินไปการเวลานี้เปรียบเทียบเหมือนกับงูยักษ์ที่ค่อยขมเยือเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยเวลาก็ค่อยๆกลืนกิน สัตว์และบุคคลต่างๆไปทีละคนสองคนชีวิตของพวกเราทุกคนนีเป็นเหยื่อของการเวลาจะต้องถูกการเวลากกืนกินไปเด็กเลี้ยงไม่ได้หนีไม่พ้นดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทนอนใจ ไม่ทําในสิ่งที่เราควรจะทํากันพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้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 วันละหลายหลายครั้งยิ่งมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะจะทำให้เราตื่นตัวไม่ประมาทนอนใจเพื่อที่เราจะได้รีบทำในสิ่งที่เราทำได้และเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเรา จะทำให้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเจอกับสภาพแบบนี้อีกต่อไปคือไม่ต้องกลับมาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพลาดพลาดจากกันถ้าเรารีบทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติกันให้ยกระดับจิตใจ ของเราให้สูงขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดเพื่อรับยกระดับจากการเป็นมนุษย์ขึ้นสู่การเป็นเทพเป็นพรมเป็นพราะอาริยบุคคลและหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในที่สุด นี่คือสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ในยุคที่มีผู้สั่งผู้สอนคือมีพระพุทธศาสนามีพระวัตรนาตรายมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์คอยเป็นผู้ตักเตือนคอยเป็นผู้สั่งผู้สอนให้เราปฏิบัติธรรมกันให้เรายกระดับจิตใจ ของเราให้สูงขึ้นดีกว่าไปยกระดับฐานะการเงินการทองฐานะของราบยกสารเสริญสุขให้สูงขึ้นเพราะมันเป็นการยกระดับของการเวียนว่ายตายเกิดให้มีมากขึ้นไปเท่านั้นเองการที่เราไป สร้างไปเสริมในเรื่องของลาบยศสารเสริมสุขนี้มันเป็นการเสริมสร้างวัตถจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆเพราะการที่เราจะมีลาบยศสารเสริญสุขได้เราจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายถ้าเราต้องมีร่างกายเราก็ต้องมีความแก่ มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพลาดจากกันตามมาน่าจะตามมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันจะไม่มีความอิ่มความพอในเรื่องของการได้ลาบยศสรรเสริญสุขมาได้เท่าไหร่ก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอยากได้ไปจนถึงวันตาย ตายไปแล้วความอยากได้ในลาบยสะะสศสารสนุขนี้ก็ยังไม่หมดไปก็จะพาให้จิตใจไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ไปแสวงหาลาบยสะะสศสารสนุขกันใหม่อีกรอบหนึ่งพร้อมๆกับการไปพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายพบ ก, บกับการทัดภาคจากกัน เอกรอบเองพวกเรานี้ได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานนับจํานวนภพชาตินี้ไม่ได้ด้วยตัวเลขเพราะมันมากจนไม่สามารถที่จะเขียนเป็นจํานวนตัวเลขได้ถ้าอยากจะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้มีกี่ภพกี่ชาติ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เราเอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันไว้น้ําตาที่เราหลั่งที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของแต่ละพพแต่ละชาตินี้เมื่อมารวมกันแล้วจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือประมาณ ของชาติที่พวกเราได้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคจากกันแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะมีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนี้ต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดมันและการที่เราจะหยุดมันได้เราต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา ในเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ได้ก็ยิ่งดีถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วมีความปรารถนามีความศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะมีมากเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่เก่งกาจในด้านการสั่งการสอนสามารถ รู้บาลจิตของผู้มาศึกษาว่ากำลังติดอยู่ที่ตรงไหนต้องใช้อุบายวิธีการสอนอย่างไรเพื่อทำให้ค้นจากการติดอยู่ในในสิ่งเหล่านั้นคนที่ได้เกิดในยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่และได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เลวได้สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้านี้มากจะได้ประโยชน์อันสูงสุดกันทั้งนั้นคือได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงพระนิพพานกันได้บริลุเป็นพาาาระอรหันตัสาว ก, กันเป็นจำนวนมากไม่มียุคใดสมัยใดใน พระพุทธศาสนานี้ที่จะมีการเกิดขึ้นของพาาระอรหันต์มากกว่าในยุคที่มีพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงสั่งสอนทรงประกาศพระธรรมคำสอนอยู่สี่สิบห้าปีด้วยกันยุคนั้นเป็นยุคที่มีพาาระอรหันต์ปรากฏขึ้นแทบทุกวันก็ว่าได้เพราะว่า มีการสั่งสอนที่ถูกต้องแน่นยัและมีผู้ที่สนใจมีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสกันมากเนื่องจากเห็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้ดุดพ้นได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์กันนั้นมีจำนวนมากด้วยกันมันจึงเป็นแรงดึงดูดใจให้ผู้ที่ ได้เห็นได้ยินได้ฟังปรากฏการณ์ของพระพุทธศาสนานี้เกิดความศรัทธาเกิดความเรื่มใสที่อยากจะศึกษาอยากปฏิบัติกันและพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติจากแหล่งที่ถูกต้องหรือจากพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือจากพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีพอได้ยินได้ฟังความจริงที่ถูกต้องชัดเจน ไม่มีอะไรเพื่อแพงสงสัยพอนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทันทีนั่นแหละคือถือว่าเป็นยุคที่เลิศที่สุดที่ปร ะ, ประเสริฐที่สุดยุคที่ได้มาเกิดได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าโดยตรงลองลงมาก็ยุคที่ยังมีพระพุทธศาสนาคือยังมีพระ คำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกเก็บเอาไว้จดจำเอาไว้ก็ดีหรือบันทึกไว้ในสื่อต่างๆก็ดีเป็นแหล่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ที่สนใจต่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเรียนว่าตายเกิดสามารถเข้าถึงและสามารถศึกษาแนะนำเอาไปปฏิบัติได้หรือได้พบกับผู้ที่ได้ บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์แล้วก็สามารถที่จะศึกษาจากพระอรหันต์เหล่านั้นได้แต่จำนวนของพระอรหันต์นั้นก็เริ่มมีจำนวนนับน้อยลงไปเรื่อยๆตามการตามเวลาเพราะว่าการเผยแผ่สั่งสอนนั้น ไม่ได้เข้มข้นไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอนแต่ก็ยังปรากฏมีผู้ที่สนใจที่ได้ไปศึกษากับพระอารหันต์ต่างๆพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่างๆนั้นยังสามารถบรุเป็นพระอารหันต์ได้แม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้เราก็มีพระอารหันต์ที่เป็นผู้ สามารถผลิตผ้าระหารได้เป็นจำนวนมากอยู่คือหลวงปู่มั่นโพริดัตโตที่พวกเราเข่ารลบนับถือกันท่านเป็นปรมาจารย์ของครูบาอาจารย์ผ้ารหารต่างๆในยุคปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ที่ได้ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นเช่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แวนหลวงปู่ฟันท่านพอลี หลงตามหาบัวและพระครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกมากมายที่ไม่ได้นำชื่อท่านมากล่าวถึงเนื่องจากนึกไม่ออกก็เป็นสักขีพยานให้เรารู้ว่าพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ยังมีอยู่ยังเป็นยังมีประสิทธิภาพที่จะสามารถที่จะสนับสนุนนำพาผู้ที่ปรารถนาการหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้ให้ได้หลุดออกได้อย่างแน่นอนนี่ก็คือ ยุคที่เรายังมีโอกาสกันมีครูบาอาจารย์มีพระไตรปิฎกคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีครูบาอาจารย์ต่างๆที่จะคอยสอนคอยบอกให้เราได้ปฏิบัติกันอย่างถูกต้องเรายังสามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ก็ยังถือว่าเป็นยุคทองอยู่หรือจะเป็นยุคเงินก็ได้ถ้ายุคสมัยพระพุทธเจ้าถ้าเป็นยุคก็ยุคทองเป็นเหรียญทองโอลิมปิกยุคนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นยุคของเหรียญเงินเหรียญทองแดง ก, ก็ได้แต่ก็ยังสามารถที่จะพาให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้สามารถหลุดพ้นได้ ถ้าหลุดจากยุคนี้ไปแล้วนี่โอกาสที่จะศึกษาและปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองเพื่อให้หลุดพน้นนี้มันเป็นไปได้ยากมากขนาดมีผู้คอยสั่งคอยสอนแล้วยังไม่ค่อยยอมหลุดพ้นกันเลยแล้วถ้าไปอยู่ในยุคที่ไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยเตือนสติก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้ นอกจากเป็นบุคคลที่เก่งกาจคือพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิทธัตถะเท่านั้นที่จะสามารถที่จะผลักดันตนเองให้ค้นคว้าให้ศึกษาให้ปฏิบัติให้หลุดพ้นได้ด้วยตนเองเท่านั้นซึ่งนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง หลังจากที่พุทธศาสนายุคในปัจจุบันนี้ได้ถึงวาระสิ้นสุดลงแล้วคกือประมาณ 5,000 ปีหลังจากนั้นก็ทิ้งระยะเวลาไปอีกหลายกับหลายกันด้วยกันก็จะมีผู้ที่เก่งกาจสามารถที่จะมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อทำให้จิตใจของตอนนั้นหลุดพ้น จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ปรากฏขึ้นมาเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสารโลกอีกรอบหนึ่งหลังที่พุทธเจ้าได้ทรงทำนายไว้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็คือพระสีอะเลเมตรตรผู้ที่จะมาตัดสรู้ธรรมมามาเป็นพระพุทธเจ้า มาเป็นาศาสดาที่จะมาสอนสัตว์โลกให้ได้หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอการปรากฏของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่เรื่อยๆทั้งในอดีตและในอนาคตที่จะตามมาแต่เวลาที่จะมีแต่ละองค์นี้เป็นเวลาที่ห่างไกลกันมากอนานจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งระหว่างยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละยุคนี้ ดวงวิญญาณก็ยากจะต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายล้านครั้งด้วยกันจนกว่าจะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าพระพธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งรูปใดรูปหนึ่งมาเผยแผ่สั่งสอนโอกาสที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนานี้ยังเปรียบเหมือนกับการโอกาสที่จะถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งนี่ การจะถูกอัล ต, ตริรางวัลที่หนึ่งนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายๆทุกคนก็รู้แต่ทุกคนก็ยังมีความปรารถนากันขอพอรทีไรก็อยากจะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกครั้งทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าโอกาสมันมีน้อยมากทันใดการที่เราจะได้มาเกิดเพื่อได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีกนั้นก็เป็นเหมือนกับโอกาสของการที่จะ ไปถูกรอตลี่รางวัลที่หนึ่งแต่พวกเราลืมไปว่าตอนนี้พวกเราได้ถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วทำไมยังจะไปโลภอยากจะได้ถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งในพบหน้าชาหนาอีกทำไมเมื่อถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วไม่ไปขึ้นรางวัลถูกไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร <S S S เหมือนพวกเราตอนนี้ก็ถือว่าได้ถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งของทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเป็นผู้ที่จะให้รางวัลกับเราเพียงแต่ว่าเราต้องไปขึ้นรางวัลกันท่านั้นเองการขึ้นรางวัลนี้มันยากตรงไหนกันอยู่ที่ความเกียจคร้านอยู่ที่ความหลงที่ยังคอยหลอกล่อยจิตใจอยู่เท่านั้นทําให้เราลืมไป ว่าเรานี้กำลังถูกเราได้ถูกวอ ต, ตรลี่รางวัลที่หนึ่งแล้วคือการได้พบปะกับพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเราได้ถูกวั ต, ตรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเมื่อถูกวั ต, ตรี่แล้วเราต้องทำอะไรต่อไปเราก็ไปขึ้นรางวัล น, นั้นเนง่เราก็ไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปขึ้นรางวัลไปรับมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลส่นิพพานหนึ่ง ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ทั้งเองซึ่งไม่ใช่เป็นของยากเย็นเกินความสามารถของทุกคนที่จะปฏิบัติกันได้ถ้าอยากจะได้รางวัลจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็รับประกันว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้รับรางวัลอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ พวกเราควรที่จะคอยลำลึกถึงและตืนสติเรื่อยๆพร้อมกับลำลึกถึงภัยที่กำลังจะมาขัดขวางการขึ้นรางวัลของพวกเรา<ม>ก็คือความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตาย<ม><ม>เพราะถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นการขึ้นรางวัลของเรา คือการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้เราปฏิบัติทานศีลภาวนากันนี่คือการขึ้นรางวัลต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาและก่อนที่จะปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ก็ต้องศึกษาเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของภาวนา ให้รู้ว่าการทำทานนี้ทำอย่างไรรักษาศีลรักษาอย่างไรและภาวนาภาวนาอย่างไรต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่าทำทานทำอย่างไรรักษาศีลรักษาอย่างไรภาวนาละภาวนาอย่างไรพอรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติได้เลยไม่จำเป็นจะต้องศึกษาพระไตรปิฎก ไม่จําเป็นจะต้องศึกษาหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกไม่จําเป็นจะต้องศึกษาพระบาลีถึงขั้นปรเลียนก้าแต่อย่างใดถนัดหลวงตามหาบัวนี่พอท่านเรียนจบปรเลียนสามท่านบอพอแล้วไม่ใช่ทางแล้วไม่ได้ทางสู่การบําเพ็ญจิตตภาวนาท่านจึงยุดการเรียน และหนีออกจากสำนักเรียนไม่กล้าขอไม่กล้าเบลาต่อหน้าพระอาจารย์เพราะรู้ว่าพระอาจารย์ต้องการจะสนับสนุนให้ท่านเรียนถึงขั้นสูงสุดของหลักสูตรของบาลีคือขั้นระดับบารีเก้าแต่ท่านรู้ว่ามันไม่ได้เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านมีจิตศรัทธาต่อหลวงปู่มั่ง ที่ท่านได้ยินได้ฟังกิติศัล์ว่าเป็นพระอาหารหันต์ในยุคปัจจุบันกท่านมีความปรารถนาที่อยากจะไปศึกษาอยากจะไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นมากกว่าอยากที่จะเรียนให้ได้ประเดยนเก้าประเรียนเก้านั้นในยุคในยุคก่อนๆ น, นี้จะมีรางวัลถ้าจบประเด็นเก้าแล้วมักจะได้แต่งตั้งสัมมนาสัก ได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณกันอันนี้เป็นเครื่องล่อล่อกิเลสล่อกิตใจที่ยังถูกกิเลสครอบงำอยู่ให้ฝ่ายศึกษาให้ขยันเรียนให้จบกันการเรียนบาลีนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการศึกษาภาษาของพระไตรปิฎกนี้เท่านั้นเองเพื่อที่จะได้ตรวจตราพระไตรปิฎกได้ว่าพระไตรปิฎกนี้มีการผิดเพี้ยนตรงไหนบ้างอย่างไรเท่านั้นเอง แต่ไม่มีคุณประโยชน์ในการที่จะปลักดันจิตใจให้หลุดออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลวงตาท่านเข้าใจท่านจึงไม่เรียนท่านจึงต้องหนีไปแบบไม่บอกคือรอให้พระอาจารย์ท่านไปทุเละที่อื่นพอท่านไปแล้วท่านก็เลยไปเลยเพราะท่านไม่อยู่ก็ไม่ต้องไวลาถ้าท่านอยู่ก็ต้องไปลา ท่านแม่ลาก็จะถือว่าเสียมาระายะานั้นเวลาท่านไม่อยู่หลวงตาก็เลยไปตั้งใจมุ่งไปหาหลวงปู่มั่นเพื่อที่จะไปศึกษาแนวทางของการปฏิบัติแล้วเมื่อติดตามไปสักระยะหนึ่งก็สามารถไปพบกับหลวงปู่มั่นได้ที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ได้ขอโอกาสได้ ขออยู่ศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นท่านก็เมตารับเอาไว้ได้อยู่ได้ศึกษากับหลวงปู่มั่นประมาณเกปีด้วยกันถ้าจําไม่เผิดแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่หลวงปู่มั่นท่านได้ลาสังขารไปแล้วหลวงตาในขณะนั้นจิตของท่านยังไม่หลุดพ้นโดยสิ้นเชิงยังติดอยู่ขั้นสุดท้ายอยู่ หลวงตาท่านเลยต้องปฏิบัติศึกษาค้นคว้าตามลำพังซึ่งท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่นั้นเวลาท่านติดขัดตรงไหนถ้าเอาไปเล่าไปให้ฟังให้หลวงปู่มั่นฟังนี้หลวงปู่จะช่วยแก้เรื่องการติดขัดได้อย่างทันทีทันใดแต่เนื่องจากว่าหลวงปู่มั่นท่านเสียไปแล้วท่าหลวงตาก็ไปติด ขาดกับปิิศนารมอยู่ข้อหนึ่งว่าจุดใดที่เป็นตุ่มเป็นต่อจุดนั้นละคือจุดของภพของชาติท่านก็ไม่ทราบไม่เข้าใจความหมายต้องใช้เวลาพิจารณาปฏิบัติศึกษาอยู่ประมาณสามเดือนด้วยกันท่านบอกท่านถึงจะเข้าใจสามารถแก้ปัญหาตรงจุดนั้นให้หลุดไปได้และได้หลุดพ้นจากการ เกิดแก่เจ็บตายได้อย่างสิ้นเชิงอันนี้เป็นทางที่ถูกต้องสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นอย่าไปติดอยู่กับการศึกษาจนไม่สามารถที่จะก้าวเข้าสู่การปฏิบัติได้ดงนั้นปฏิบัติให้น้อยดีกว่าไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติมากไม่จําเป็นจะต้องศึกษาหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอก อย่างตัวเราเองนี่เราก็ไม่ได้มีไม่ได้จบนักธรรมตีโทเอกไม่ได้เรียนอาศัยค้นคว้าหาหนังสือมาอ่านอเอาเองแล้วก็ได้เจอหนังสือคือสติปทานสี่สติปฐานสี่นี่แหละเป็นแนวทางของการปฏิบัติถ้าอ่านแล้วเข้าใจนี้สามารถใช้สติปฐานสี่นี้เป็นครูเป็นอาจารย์ได้ในระดับหนึ่งอ่านแล้วก็เข้าใจว่าเบื้องต้นนี้ พระเจ้าทรงสอนให้เจริญสติเป็นหลักไว้ก่อนให้มีสติถ้าไม่มีสติแล้วนั่งสมาธิจิตจะสงบไม่ได้ถ้าไม่มีไม่มีการเจริญกายกตาสติในสติปัฏฐานสีน่นี่ท่านสอนให้เจริญกายกตาสติในเอเรียบททั้งสและในการเคลื่อนไหวต่างๆในการกระทําต่างๆของร่างกายนี่คือการเจริญสติ การควบคุมความคิดการหยุดความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้จดจอ่อเฝ้าดูอยู่ที่ร่างกายตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับนี้ให้ใจผูกใจไว้ติดอยู่กับร่างกายตลอดเวลาให้ดูตลอดเวลาว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน กำลังแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารกำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวา้าเป็นพระกำลังเดินบินตบานกำลังขบกำลังฉันให้มีสติจดจอ่อเฝ้าดูการกระทำต่างๆของร่างกายนี้เพียงอย่างเดียวไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องก็จะได้สติสัมปะชัญญะ คือได้สติที่ต่อเนื่องสติที่ไม่พังเถอสติที่ไม่ขาดตอนพอสติไม่ขาดตอนแล้วก็ให้มานั่งสมาธิด้วยการเจริญอาณาปณะสติอาณาปณาะาแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการระลึกรู้อาณาปณะสติก็แปลว่าการระลึกรู้ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกนั่นเองให้เฝ้าดูลมเข้าลมออก ให้ดูเฉยๆอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปจัดการกับลมแต่อย่างใดอย่าไปบังคับให้ลมหายใจลึกๆหายใจยาวๆอันนี้ไม่ไม่ใช่วิธีของอนาปนานสติอนาปนานสตินี้ให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆดูที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าลมออกมันจะต้องแตะอยู่แถวบริเวณปลายจมูกมันสัมผัสอยู่แถวนั้น ให้ดูตรงจุดที่มันสัมพันธ์รับรู้ลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆอยู่ที่จุดเดียวนั้นถ้าทาอย่างนี้ได้จิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธติต่อไปได้ จิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบเย็นสุขสบายพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัติสันติพลังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่สุดยอดของความสุขทั้งปวง เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการถกวัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก <S 2> <S 2> เป็นความสุขที่เหนือกว่าการได้เป็นมหาจักรพรรดิของโลก <S <S ไม่มีความสุขอะไรในโลกนี้ที่จะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ถ้าลองได้มาถึงจุดนี้แล้วทีนี้จะไม่สงสัยแล้ว ว่าทำไมต้องปฏิบัติสติทำไมต้องนั่งสมาธิทำไมต้องเจริญปัญญาต่อไปเพราะรู้แล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเป็นสิ่งที่ต้องพยายามคอบครองรักษาให้มีอยู่กับตนไปให้ได้ตลอดไม่ให้มันสิ้นสุดลงแต่ความสุขที่ได้จากสมาธินี้เป็นความสุขระดับชั่วคราว พอเวลาจิตถอนออกจากสมาธิมาก็เริ่มคิดปรุงแต่งพอเริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผดพพะและอารมณ์ต่างๆใจก็เริ่มไม่สงบใจเริ่มกระเพื่อมเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาที่ไปมีปฏิกริยากับความคิดมีปฏิกริยากับรูปเสียงกลิ่นรสผดพปะและอารมณ์ต่างๆนี่ จึงทำให้ความสงบนั้นหายไปผู้ปฏิบัติในระดับสมาธิจึงต้องเวลาออกจากสมาธินี้ต้องเจริญสติต่อไปไม่ปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งให้จิตไม่ให้มีปฏิกิริยาต่อการสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆให้มีการเจริญสติต่อไปให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กาลัง กินอะไรกําลังดื่มอะไรให้รู้เฉยๆเฝ้าดูไปไม่คิดไม่ให้มีปฏิกิริยาทําอย่างนี้ไปให้ชํานาญก่อนออกจากสมาธิก็เจริญสติพอเจริญสติพอถึงเวลาอยากจะนั่งสมาธิก็นั่งต่อได้ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องก็สามารถกลับเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วอย่างง่ายได้ดูลมต่อไป ทำอย่างนี้ก่อนในระดับสมาธิเข้าๆออกๆในสมาธินี้ทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติขั้นแรกนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญญาปัญญายังเป็นอีกขั้นหนึ่งยังไปไม่ถึงตอนนี้อยู่ขั้นของสมาธิทำสมาธิให้ชนานาญให้เก่งก่อนให้สามารถที่จะเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการและให้สงบให้ได้นานให้อยู่ในความสงบได้งาน ให้มีอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิมาใจก็ยังเย็นยังสงบยังไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วถึงค่อยไปเจริญขั้นปัญญาต่อไปขั้นปัญญาก็ให้พิจารณากายก่อนแล้วก็เวทนาแล้วก็พิจารณาจิตตามลำดับต่อไปนี่คือหลักสูตรในการสั่งสอนของสติปัฏฐานสี่ สอนเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่สอนให้ ท, ทําทีเดียวพร้อมกันหมดจเรียสตินั่งสมาธิพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตไปเป็นพร้อมกันหมดนี่ก็เป็นเหมือนกับจับไฉดีๆนีเ่เป็นการเอาสิ่งต่างๆมาผสมกันซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำกันพร้อมๆกันไปได้เพื่อให้ได้เกิดผลขึ้นมานี้ต้องทําทีละอย่างก่อน อันตน้นเจริญสติก่อนให้มีสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลานั่งสมาธิก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกแล้วพอชำนาญการเข้าออกทางสมาธิแล้วขั้นต่อไปเวลาออกจากสมาธิก็เริ่มมาพิจารณาร่างกายเป็นเป็นวิชาแรกก่อนศึกษาเรื่องธรรมชาติของร่างกาย ว่าร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงก็พิจารณาดูว่าถ้ามันเที่ยงมันก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ามันแก่มันเจ็บมันตายก็จะเรียกว่ามันเที่ยงไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นผู้ผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุเป็นผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจากผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นผู้ตายไปต่อไป นี่คือธรรมชาติของร่างกายของของทุกคนของผู้ปฏิบัติเองการพิจารณานี้ให้พิจารณาทั้งร่างกายของผู้ปฏิบัติเองและพิจารณาของร่างกายของผู้อื่นด้วยเพื่อที่จะได้รอบครอบจะได้เห็นว่าเหมือนกันไม่ใช่แต่พิจารณาแต่ร่างกายของผู้ปฏิบัติเพียงผู้เดียว mm. ก็อาจจะทำให้คิดไปว่าคนอื่นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันก็ได้ แต่ความจริงแล้วเป็นเหมือนกันหมดทุกคนร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนรวยเป็นคนจนเหมือนกันหมดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดพิจารณาเพื่อให้รู้แล้วปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไปติดกับร่างกายหรือว่าร่างกายจะต้องเปลี่ยนไปตามการตามเวลา แล้วรู้ว่าร่างกายจะต้องถึงจุดสิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งเวลาสิ้นสุดลงร่างกายก็จะแยกส่วนของตนออกจากกันไปเองถ้าไม่ไปทำการชาปนกิจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไปฝังไปเผาถ้าปล่อยไว้เฉยๆส่วนประกอบที่มาสร้างร่างกายมันก็จะแยกออกจากกันไปเองคือร่างกายนี้ประกอบขึ้นจากธาตุสี่ คือดินน้ำลมไฟมันก็จะแยกทางกันไปเองบ่อยให้ร่างกายทิ้งไว้สิ่งแรกที่ไปจากร่างกายก็คือลมธาตุลมนี่เองคือธาตุลมไม่เข้ามาแล้วมีแต่ออกไปเรื่อยๆคือกลิ่นต่างๆที่ออกจากร่างกายนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นธาตุลมที่ยังค้างๆอยู่ในร่างกายมันก็จะค่อยๆระเหยออกไป ตามไปด้วยน้ำท่านเอาธาตุไฟก่อนท้านลมไปแล้วคอยๆ อ, ออกไปไปพร้อมๆกับธาตุไฟร่างกายก็จะเย็นลงถ้าคนเป็นไปแต่ต้องคนตายนี่จะรู้ว่าร่างกายของคนเย็นนี้อุณหภูมิจะเย็นกว่าคนเป็นคนเป็นนี่จะอุ่นกว่าจะร้อนกว่าเพราะในธาตุของคนธาตุไฟในของคนตายยังมีอยู่ ไม่สูญสลายไปแต่ในร่างกายของคนตายนี้ธาตุไฟนี้ธาตุไฟนี้ได้หายไปแล้วจึงทำให้ร่างกายนี้เย็นกว่าปกติธนะาตลมไปตามด้วยธาตุไฟต่อไปก็ธาตุน้ำธาตุน้ำก็ เผือดแห้งไปบ้างไหลออกมาตามทาวารต่างๆบ้างทางจมูกทางรูจมูกทางทาวารต่างๆอันนี้ก็จะมีท่าน้ำไหลออกมาทิ้งไปเรื่อยๆนานเข้านานเข้ามันก็จะเปื่อยแห้งไปเหลือแต่หนังเหลืออวัยวะที่มีแต่มีแต่มีแต่เนื้อที่แห้งกรอบแล้วก็โครงกระดูก แล้วถ้าปล่อยไปต่อไปมันก็จะผุพังกลายเป็นท่านดินไปนี่คือเรื่องของการพิจารณาอนิจจังของร่างกายว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยมไม่มีใครที่จะไปทำให้มันเที่ยมได้มีคนมาเกิดทุกยุคทุกสมัยแล้วพยายามคิดค้นหาวิธีที่จะทำให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกัน แต่ก็ไม่มีใครสามารถทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้<ม>เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติปร<ม>ากฏการทางธรรมชาติที่ไม่มีใครที่จะไปห้ามมันได้เหมือนกับปรากฏการของฝนตกแดดออกมลมพัดอย่างนี้เป็นต้นพายุพัดพายุช่วงนี้มีพายุเข้ามไม่มีใครไปห้ามามันได้ไปหยุดมันได้ ไม่มีใครไปสั่งมันได้เวลาที่มันไม่มีจะสั่งให้มีพายุเข้ามามันก็มามันมันก็ไม่มาเวลามันมาจะไปสั่งให้มันหยุดไม่ให้มันเข้ามาก็สั่งมันไม่ได้ฉันดร่างกายก็เหมือนกันเวลามันเกิดนี่ก็ไม่มีใครไปห้ามมันไม่ให้เกิดได้พอมันเกิดแล้วมันก็ต้องเจริญเติบโตไปแร้วตายไปก่อน ถ้าไม่มีการจเจริญเติบโตอาจจะถูกโกครคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึง่งทําให้ตายไปก็ก็ตายไปได้แต่ที่แน่นอนก็คือเมื่อเกิดแล้วจะต้องตายไปแล้วเวลาตายไปร่างกายก็จะย่อยสลายกลับคืนสู่ธาตุที่มาทําให้ปรากฏเป็นร่างกายก็คือธาตุสี่ดินน้ําลมไฟถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตน ตัวตนในร่างกายนี้ไม่มีมีแต่ธาตุสี่ดินน้านมไฟเท่านั้นเองตัวตนนี้เกิดจากความหลงของผู้ปฏิบัติของผู้พิจารณาร่างกายว่าไปคิดเอาเองว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรามันก็เหมือนกับคนสมัยโบราณนี้ที่ไปคิดเอาเองว่าโลกนี้แบนทําทีนี้โลกนี้มันไม่แบนโลกนี้มันกลมแต่ การขาดสติปัญญาการไม่มีความสามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นโลกกลมนี้มันก็เลยทำให้คิดว่าเป็นโลกแบงไปเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นความจริงเป็นเพียงแต่ความคิดความหลงฉะนั้นเรื่องของร่างกายว่าเป็นตัวเราของเร า, เราก็เป็นความคิดความหลงของใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้เท่านั้นเองแต่พอได้ศึกษาได้ป ได้นำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์มาพิจารณาก็จะเห็นว่าอ๋อร่างกายนี้มันเป็นแค่การรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินน้ําลมไฟนี้เท่านั้นเองเนี่ยคันทุกขณะของชีวิตเหล่านี้มีการเติมธาตุอยู่ตลอดเวลามีการเอาลมเข้ามาตลอดเวลาเอาธาตุลมเข้ามาทางจมูกตลอดเวลามีการเอาธาตุไฟเข้ามาจากทาง แสงความร้อนของแสงอาทิตย์มีการเอาอาหารคือธาตุดินเข้ามาข้าวนี้ก็เป็นธาตุดินแล้วก็มีการเอาธาตุน้ำก็คือการดื่ ม, มน้ำดื่มเครื่องดื่มของเหลวทั้งหลายนี้ก็เป็นธาตุน้ำานร่างกายนี้ต้องมีการเติมธาตุอยู่ตลอดเวลาถึงจะอยู่ต่อไปได้ถ้าเกิดการขาดการเติมธาตุใดธาตุหนึ่ง ถ้าไม่เติมธาตุลมคือถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ปับ๊บร่างกายนี้ก็ตาย ท, าทันทีถ้าหยุดการเติมน้ําเข้าไปก็อยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันหรือสิบวันถ้าไม่มีธาตุน้ํามาเติมก็ตายไปถ้าไม่มีธาตุไฟก็อาจจะตายหนาวตายไปถ้าไม่มีธาตุดินก็จะพร้อมแล้วก็ตายไปใไนที่สุด อันนี้เป็นเรื่องของธาตุทั้งนั้นร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนนี่คือการศึกษาพิจารณาธรรมชาติของร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันเกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีตัวตนมันเป็นดินน้ำลมไฟอ น, นิจจาคือไม่เที่ยงอนัตตาก็คือไม่มีตัวตน แล้วก็ต้องพิจารณาอีกอย่างคือว่ามันไม่สวยไม่งามด้วยร่างกายถ้ามองจริงๆแล้วจะรู้ว่ามันไม่สวยไม่งามถ้ามองไปให้ทั่วถึงทุกสัสดส่วนของร่างกายถ้ามองเพียงด้านนอกก็าอาจจะไปหลงคิดว่าร่างกายนี้สวยว่าหน้าดูหน้าชมได้แต่ถ้ามองลึกเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันมี อาการอื่นๆที่เรายังมองไม่เห็นที่ไม่น่าสวยไม่น่าดูเลยจึงต้องพิจารณาอาการสามสิบสองกันพิจารณาดูสภาพของร่างกายไว้ที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังว่างว่ามีอะไรภายใต้ผิวหนังก็จะมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีโครงกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีสมองอย่างนี้เป็นต้น นึกถึงภาพเหล่านี้ดูว่ามันสวยงามไหมโครงกระดูกนี้มันสวยงามไหมปอดหัวใจนี่มันดูแล้วน้าหน้ า, นาชื่นชมยินดีน่ารักไหมลำไส้ที่นี่ในร่างกายนี้มันดูแล้วมันสวยงามไหมให้พิจารณาดูเหล่านี้เพื่อจะได้ดับความหลงดับความอยากที่จะเสพสังวาสอยากจะร่วมหลับนอนกับร่างกายของผู้อื่น อันนี้ให้พิจารณาร่างกายของคนที่เราเห็นว่าสวยว่างามว่าหล่ออยากจะได้เขามาเป็นแฟนพอเห็นส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเขาว่าได้ตัวเขาแล้วต้องได้ของพวกนี้ตามมาด้วยนะได้โครงกระดูกด้วยได้ปอดได้ตับได้หัวใจได้นำไส้ด้วยนะถ้าเห็นนี้โอ้ยไม่เอาเดี๋ยวของแถมพวกนี้ไม่เอาเอาแต่ของที่ไม่แถมได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะมันของมันมาด้วยกัน แต่ว่าเขาไม่เปิดเผยให้เรารู้เท่านั้นเองเราก็ไม่ไปแกะกล่องดูเหมือนคนก็ส่งกล่องมาบอกเป็นเค้กพอเปิด้าไปเป็นอุจจาระอย่างงี้บ่นกันถ่ายรูปลงในโซเชียลกันวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นเรื่องเป็นรา่าไปไอทีร่างกายได้มาแล้วไม่ไม่มีใครมาเปิดดูข้างในกันบ้างได้แฟนมาได้ภรรยาได้สามีมาไม่เคยคิดเปิดดู ข้างในของแฟนเลยว่าเป็นยังไงบ้างแฟนเธอมีอะไรบ้างไหมเนี่ยที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเธอเนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมอยา่จะดูโอ้มีโคงกระดูกโอ้มีปอดมีตับมีไตมีลำไส้โอ้นู่นอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้ก็ต้องพิจารณาเพราะว่าถ้าไม่พิจารณามันจะติดติดร่างกาย ติดร่างกายของตอนเองเพราะคิดว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้ก็แก้ด้วยอนัตตาติดร่างกายของคนอื่นว่าสวยว่า ง, งามก็ต้องแก้ด้วยอสุภะดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายจิตไม่ต้องการให้ติดกับร่างกายของใครเลยของตัวเองก็ไม่ให้ติดของคนอื่นก็ไม่ให้ติดเพราะถ้าติดแล้วมันจะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าไม่ติดร่างกายแล้วต่อไปมันก็ไม่มีไม่จำเป็นที่จะต้อง ม, มาเกิดอีกแล้วถ้าพิจารณาร่างกายได้อย่างรอบคอบนี้ ต่อไปก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปเพราะเห็นว่าร่างกายมีแล้วมันเป็นทุกข์ทุกข์พ่อมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ถ้าอยากจะไปมีแฟนก็รู้ว่าร่างกายของแฟนนี้มันไม่สวยไม่งามนะมันสวยแต่ภายนอกแต่ภายใ น, นนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะดูไม่มีใครอยากจะมองกันทั้งนั้นหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าอยากจะดูความไม่สวยงามโดยที่ไม่ต้องเข้าไปดูข้างใน ก็ดูตอนที่เวลาตายไปสมัยก่อนนี้เวลาตายเขาไม่เขาไม่แช่เย็นไว้เขาไม่เอามาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าใส่ลงสมัยก่อนเขาเอาไปทิ้งในป่าช้ากันเวลาคนตายแล้วก็ให้คนที่อยากจะดูว่าเวลาร่างกายนี้ตายแล้วเป็นอย่างไรไปพิจารณากันไปเยี่ยมป่าช้ากันก็จะมีพระะเนี่ยพระนี่เป็นเพศที่ต้องการพิจารณาสุภาษเพราะพระนี่ต้องการที่จะละกามาลง ละความอยากการเสพรูปเสเพล่างกายลาจากการมีแฟนมีภรรยาเพราะถ้ายังมีความอยากอยู่เดี๋ยวทนอยู่ในเพศของพระไม่ได้จะต้องลาสิกขาไปก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สมัยก่อนจึงมีการไปเยี่ยมป่าช้าไปดูซากศพสิบชนิดด้วยกันศพใหม่ศพเก่าศพแห้งศพขึ้นอืด ศพที่ขาดแข้งขาดขาขาดศพที่มีแรงกามากัดมากินศพที่มี น, น้นมีนอนใช้ใช้ไปทู่ตามร่างกายมีมดมแมลงอะไรต่างๆมากาะมากินอันนี้เป็นร่างกายของที่เราเห็นว่าสวยว่างาม น, นี่แหละในที่สุดมันก็จะต้องกลายเป็นซากศพไปในที่สุดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเรื่องของการมีการมาลมนี่มันจะหายไปทุกครั้งที่มีการมาลมก็ให้นึกถึงซากศพก็ได้ ไอ้นึกถึงเอาไว้ว่าต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกายก็ได้แล้วมันจะทำให้เรื่องของการอยากจะมีมีการร่วมหลับนอนกับผู้นี้มันไม่มีต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของใจที่มาผูกมาติดมาหลงมายึดมาติดกับร่างกายยึดว่าเป็นร่างกายที่เที่ยงแท้แน่นอนมีแล้วจะอยู่ไปตลอดไม่มีวันแกวันเจ็บวันตาย มีแล้วก็ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วไปคิดว่าร่างกายสวยงามอันนี้แก้ด้วยการพิจารณาร่างกายเป็นข้อสอบเป็นวิชาข้อแรกก่อนของสติปัฏฐานสี่เรียนวิชากายให้ชํานาญให้จบก่อนพอเราปล่อยวางร่างกายเรื่องของความไม่แก่ไม่เจ็บเรื่องของความไม่แก่ไม่ เไม่ตายได้แล้วเรื่องของความแก่เจ็บตายได้แล้ว <evet. S 1> เรื่องของความไม่สวยไม่งามได้แล้ว implemented implemented เรื่องของความไม่มีตัวตนได้แล้วเราก็จะรู้ทันเราก็จะไม่ไปหลงกับร่างกายอีกต่อไปเราก็เคลื่อนไปที่วิชาที่สองก็คือเวทนาเวทนานี้เราก็ไปพิจารณาเวทนาที่เกิดจากทางกายก่อนทางกายนี้ก็มีเวทนา สอย <PTSD> ่างมีสุขขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาผ่านทางร่างกายเวลาร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายสุขสบายเราก็เรียกว่าสุขขเวทนาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราก็เรียกว่าทุกขเวทนาเวลาร่างกายที่ไม่สุขไม่ทุกขก็เรียกว่าเป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนา เวทนาทางร่างกายนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งมันได้แต่ใจที่มายึดติดกับร่างกายนี้ก็อยากจะได้แต่สุ ข, ขเวทนาจากทางร่างกายอยากจะให้ร่างกายนี้มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่อยากให้ร่างกายนี้มีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเวลาร่างกายเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาใจก็ทุกไปด้วย ความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้เกิดจากการเกิดของทุกขเวทนาแต่เกิดจากความอยากของใจที่อยากไม่ให้ร่างกายนี้มีทุกขเวทนาแต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าเวทนาทางร่างกายทั้งสามนี้มันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยของมันที่ทำให้มันเกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาเกิดไม่สุขเวทนา มันก็เป็นอนิจจังเหมือนร่างกายเหมือนกันมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่เที่ยงแท้แน่นอ น, นมันไม่สุขไปตลอดมันไม่ทุกข์ไปตลอดมันไม่สุขไม่ทุกข์ไปตลอดมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันแลาก็ไปควบคุมบังคับ ม, มันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ว่าต่อไปนี้ห้ามทุกข์ห้ามทุกข์กเวทนาเกิดขึ้นกับร่างกายนี้เป็นอันขาดให้มีแต่สุขกเวทนาอยู่กับร่างกายนี้เพียงอย่างเดียว สั่งไม่ได้เหมือนกับสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้สั่งให้ฝนไม่ตกไม่ได้สั่งให้ฝนตกไม่ได้ฝนจะตกมันก็มีเหตุมีปัจจัยทําให้มันตกฝนไม่ตกมันก็มีเหตุมีปัจจัยทําให้มันไม่ตกเมตนาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันให้พิจารณาเข้าใจว่าเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่ใจผู้มาครอบครองร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามมันได้ แต่สิ่งที่ใจห้ามได้ก็คือความทุกข์ใจเวลาที่ต้องเจอกับทุกขเวทนาทางร่างกายพิจารณาว่าทุกขเวทความทุกข์ทางใจเกิดจากความอยากไม่ให้ทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นหรือเมื่อมันเกิดขึ้นก็อยากให้มันหายไปพอมันไม่หายความอยากนี้ก็ยิ่งทำให้ใจเครียดขึ้นมาใหญ่ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากไม่ให้ทุกขเวทนาเกิด หรือถ้ามันเกิดแล้วก็อยากจะให้มันหายไปพอมันไม่หายไปก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะให้ไม่ทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากวิธีที่จะหยุดความอยากก็ใช้สตินี่แหละประกอบกับปัญญาที่เราได้เข้าใจหลักของเวทนาแล้วว่ามันเป็นอนัตตาแต่ใจเรายังไม่ยอมหยุดความอยากเราก็ต้องใช้สตินี่เองใช้คำบริกรรมถ้าเรายังไม่มีสติไม่มีสมาธิมาก่อนเราก็ต้องใช้ คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้มันหยุดความอยากให้ได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการสัมผัสกับทุกขเวทนาทางกายก็จะหายไปทุกขเวทนาทางกายไม่หายแต่ไม่เป็นไรใจไม่เดือดร้อนถ้าทุกขทางใจดับไปด้วยสติด้วยปัญญาดับด้วยสติด้วยปัญญาแล้วใจก็สามารถอยู่กับทุกขเวทนาของร่างกายได้ นี่คือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เรากำจัดเรื่องของความทุกข์ที่เกี่ยวกับเวทนาทางร่างกายแล้วเราก็ไปพอเราเสร็จทางด้านเวทนาทางทางร่างกายได้เราก็ไปพิจารณาเวทนาทางใจต่อไปเวทนาทางใจงมันก็เกิดจากอารมณ์ต่างๆของของใจนี่แหละพิจารณาจิตขั้นต่อไปก็ไปพิจารณาจิต เวลาจิตมีอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาเวลามีอารมณ์ดีก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เกิดจากทางร่างกายเกิดจากทางทางอารมณ์ทางจิตใจอย่างเช่นจิตใจไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบขึ้นมานี้จิตใจก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาก็เกิดทุกขเวทนาทางใจขึ้นมาอีกที วิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆก็ต้องพิจารณาเหมือนกับพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนานี่แหละว่าอารมณ์ต่างๆภายในจิตมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันจะให้มันมีแต่อารมณ์ดีไปตลอดทุกวันทุกคืนมันไม่เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวก็อารมณ์ดีบ้างเดี๋ยวก็อารมณ์เสียบ้างเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยมาทำให้ให้เกิดอารมณ์ดีเกิดอารมณ์เสียเราเกิดอารมณ์เสียก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ก็เกิดอารมณ์ดีก wow, ah ็เก so so, so, so ิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกขั้นก็เกิดจากความอยากให้อารมณ์มีแต่อารมณ์ดีอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันต้องพิจารณาว่าอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ทรมานกับอารมณ์ต่างๆใจก็ต้องวางเฉยอย่าไปอยากให้อารมณ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ให้รู้ทันอารมณ์อารมณ์เวลามันเกิดขึ้นก็รู้ทันมันแล้วอย่าไปอยากมันปล่อยวางมันเพราะมันเป็นอนัตตาเหมือนกับเวทนาทางร่างกายเหมือนกับร่างกายก็เป็นอารมณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนกันนี่คือการพิจารณาจิตปล่อยวางจิตได้แล้วความทุกข์ทั้งหลายช่มันก็จะมีวันหมดไปไม่มีไม่มีความทุกข์หลงเหลืออีกต่อไป ไม่มีการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปจะเย็นๆจะใกล้จะจบแล้ ว, เ ด, วเดี๋ยวจ ะ, ะเดี๋ยวจะให้พอละเดี๋ยวกําลังให้น้ํามนอยูอ่นี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่ผู้สนใจต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องนําเอาไปปฏิบัติให้ได้อานต้นก็ศึกษาก่อนศึกษาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวอิตโตจินังเปตานังอุป ก, กปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะวะโสยถาณม่โชติวะโสยถาสัพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวตวันตารายุสุขิทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุทธาปจายิโน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 นั่นถ้าอยากจะถามอะไรถามในช่วงนี้ได้เลยถามเองก็ได้เขียนใส่ข้อความส่งเข้ามาก็ได้ทางเพจก็ได้ทาง YouTube ก็ได้ทางกระดาษก็ได้ล้วนะแต่สะดวกวันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่วันนี้ทาง a c e b o o k เข้ามา514 YouTube พระสุชาติไลฟ์240 YouTube ดกร108วิทยินออนไลน์8 คลับเฮาส์15ผู้รับฟังหน้ากุฏิ215คนรวมทั้งหมด 1,100 ครับห่งคถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณพัฒเวลาที่เราบริจาคเงินช่วยเหลือสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือบริจาคเงินให้ทางโรงพยาบาลแล้วไม่ได้อธิษฐานจะมีผลอย่างไรไหมครับ การอาธิษฐานมันไม่เกี่ยวกับการทาบุญนะการอาธิษฐานนี้เป็นตามหลักของธรรมแปลว่าความตั้งใจไม่ใช่เป็นการขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะการทำมันมีผลตอบแทนในตัวของมันแล้วทําทานก็จะได้เป็นเทวดาได้มีทรัพย์อริยสัามิทรัพย์ภายในเทวทรัพย์ติดตัวไปอย่าอาธิษฐานนะอธิษฐานมันไม่เกี่ยวกันอธิษฐานนี้ไม่ใช่แปลว่าขอ แต่เราใช้คำอธิษฐานแปลว่าขอกันความจริงมันหมายถึงความตั้งใจตั้งใจจะทําทานตั้งใจที่จะช่วยเหลือสัตว์เราก็ถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่ได้ทํำนะเราต้องมีความตั้งใจก่อนว่าอยากจะช่วยเหลือสัตว์พอเห็นสัตว์เดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาเลยถ้าไม่ได้ตั้งใจเห็นสัตว์เดือดร้อนก็อาจจะเฉยเฉยไปไม่ได้ทําต้องอธิษฐานก่อนที่จะทำก่อนก่อนที่จะมาวัดได้ก็ต้องอธิษฐานก่อน ว่าวันนี้จะมาวัดกันก่อนที่จะถามคําถามได้ก็ต้องอธิษฐานก่อนว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยววันนี้จะถามคําถามน่อยนี่แปลว่าอธิษฐานคือความตั้งใจตั้งใจไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะทําคือเจตนาต้องมีเจตนามันมีเจตนาแล้วถึงจะมีการกระทําตามมาได้คําถามจากคุณนรุยดิน ผมได้ติดตามคำสอนจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งในทาง YouTube ทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาผมสนใจในผลของสมาธิเกินไปแต่จริงๆแล้วสติยังไม่ดีครับผมเลยหันมาฝึกสติโดยตั้งใจกำหนดคำบริกรรมพุทโธไว้ที่กลางอกให้ได้ตลอดเวลาที่รู้สึกตัวอยู่โดยทำทั้งวันเท่าที่ทำได้ แล้วก็เพิ่มการฝึกสติในขณะเดินให้มากขึ้นครับตอนเช้าเย็นก็จะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตามปกติอาการบีบที่ศีรษะก็ยังมีอยู่เช่นเดิมแต่ผมก็ใช้วิธีไม่สนใจมันเลยลองกำหนดพุดโทโธตรงศีรษะที่มีอาการบีบแล้วก็ตั้งใจทำให้ครบเวลาอาการก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็ทนเอาจนครบเวลา พอเลิกก็ถึงกับคลื่นไส้อาเจียนกันเลยครับผมหันมากำหนดพุดโทโธไว้กลางอกแบบเดิมเพราะอาการจะไม่รุนแรงมากพอทนได้ครับผมอยากทราบว่าควรทำอย่างไรต่อไปควรฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วอยู่กับอาการบีบศีสษนนี้ไปให้ได้จนกว่าจะตายจากกันหรือไม่ครับคือเวลาบริกรรมพุโทโธนี้ไม่ต้องไปกาหน ด, ดให้มันอยู่ที่หน้าอกหรือที่หน้าผากให้มันอยู่ที่ใจนะอยู่ ให้ใจรับรู้กับคําบริกรรมอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจทางด้านร่างกายเนี่ยการทำมันก็เลยเกิดอาการทางร่างกายตามมาให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธไปไม่ต้องไปอยู่กับที่ไหนอยู่ที่คําบริกรรมให้รู้อยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียวไม่ต้องจับคําบริกรรมไปผูกไว้ที่หน้าผากหรือที่ อ, อกอันนี้แหละมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมางั้นอย่าไปผูกพุทโธไว้กับอะไร ให้ผุดโทรว่าอยู่ในใจอย่างเดียวพอคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการกินเจกับไม่กินเจจะได้บุญหรือไม่อย่างไรครับกินเจไม่กินเจมันไม่ได้บุญมันได้ละกินการกินมก็ได้กินนะมันไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปแต่อย่างใดจะกินเนื้อสัตว์กินผักหรือกินอะไรก็ไม่ได้บุญไม่ได้บาปเช่นเดียวกัน เดี๋ยววันนี้ฝนจะตกแล้วคิดว่าอันนี้วันเรื่องคำถามนี้ของรดไว้ก่อนดีกนะว่านะเพราะไม่สะดวกเดี๋ยวญาติโยมฝนตกจะเปียกมากก็คิดว่าจะปล่อยให้กลับบ้านเร็วหน่อยวันนี้ก็อขอไปด้วยนะขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิริพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ